เวลา11อนาฬิกาท่านพระครูเชิญเชิญบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกขไปรับประทานอาหารที่โรงครัวตัวท่านเองกำลังจะขึ้นไปตอบจดหมายอย่างกุติชั้นบนก็มองไปเห็นเท่าแก่เสงกับคนขับแท็กซี่ประคองชายสูงอายุร่างผอมบางเข้ามาในกุติคนทั้งสามกราบท่านเจ้าของกุติสามครั้งและคนที่อาวุโสที่สุดในที่นั้น ก็กล่าวขึ้นว่าลุงพ่อครับจําโทาแก่บกน้องชายผมที่ขายทองอยู่ยวราชได้ไหมครับลุงพ่อเคยเล่า ว, ว่าเคยพาลูกศิษย์เข้าไปซื้อทองท่านพระครูนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าจําได้สิแต่อาตมาไม่ได้พาพวกเขาเข้าไปซื้อนะเขาพากันเข้าไปเองอาตมา ยืนรออยู่หน้าร้านแล้วเท่าแก่เจ้าของร้านเขานิมนต์เข้าไปดื่มน้ําชาแถมถวายเงินมาสร้างโบสถ์อีกสองพันบาทท่านเล่าเหตุการณ์เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนโน้นเป็นไงเดี๋ยวนี้โยมเตีย่ยสบายดียวรึท่านหมายถึงเท่าแก่บกผู้ซึ่งพูดกับท่านในสมัยที่ท่านเป็นเด็กว่า หวังนี้หรือเรียกอ้วไอเจ็กบ้าวังหน้าหรือต้องเรียกอ้ววาเตียยังจำเพลงโปรที่ท่านแต่งขึ้นล้อเรียนฝ่ายนั้นได้เจ็กบกตกน้าตายเมียร้องไห้เสียดายเจ็กบกยมเตียในครับเท่าแกเสียงิามง ง, ง, งเพราะหากท่านจะหมายถึงมิดาของเขาก็คงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเตียของเขาได้ลาจากโลกนี้ไปนานนับสิบปีแล้ว ก็โยมเตี่ยของอาตมาไงละ่ะโยมเตี่ยบกนะอ๋อนี่ไงครับผมพามากราบหลวงพ่อด้วยท่านเจ้าของกุฏิเพ่งพิสดูบุรุษร่างผอมบางตรงหน้าจึงพบว่าเขาไม่ได้ผอมอย่างเดียวหากซูบซีดไร้ชีวิตชีวาไม่ต่างไปจากซากศพภาพผู้ชายวัยกลางคนร่างกายกำยำล่ำสันที่ท่านคุ้นตาในวัยเด็ก ไม่มีหลงเหลืออยู่ในตัวบุรุษผู้นี้โยมเตีย๋ยทำไมถึงผอมอย่างนี้ละ่ะท่านทักทางไม่ต้องเรียกอ้ววาเตียกอดลายเรียกไอ้เจ๊โบกอย่างเริ่มกอดลายบุรุษร่างผอมบางพูดเสียงแหบเครือหมอเขาบอกเป็นมะเร็งลาไส้ครับลงพ่อเขาไม่รับรักษาแล้วผมก็เลยจวนมาหาลงพ่อ ยังไงยังไงก็ยังดีกว่าอยู่กรุงเทพหมอค่อยเวลาอีกสามเดือนผมก็เลยเกิดความคิดว่าในช่วงสามเดือนถ้าก็มาอยู่วัดก็อาจจะได้บุญกุศลติดตัวไปในภพหน้าไม่มากก็น้อยคนเป็นพี่ชายเล่าแล้วโยมเตี่ยไม่คิดถึงลูกหลานหรือท่านเจ้าของกุฏิทดสอบสภาวะจิตใจของคนป่วย คิดถึงก่อตองตักใจทำไงหลายละ่ะทางคงเราเกิดเลี้ยวก่อตองตายอ้วนทงานหนักมาตาหลอกชีวิตเลือกเวลาอีกแค่ซ้ำเลือนก็ข้อมาอยู่กับพระขอยึกเอาพลรกตะนะตายเป็นที่พึ่งเวลาตายจะหลายตายตาหลับหวงหลุกหลางเลี้ยวตายตาหมายหลับ น้องชายเท่าแก่เสงว่าดีจริงโยมเตี๋ยคิดได้อย่างนี้ดีมากๆเลยเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงดังพุทธวจนะที่ว่าท่านอัญเชิญพระพุทธวจนะมากล่าวให้คนทั้งสามฝั่งดังนี้มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุขะเจดีบ้างเป็นสารณะนั่นมิใช่สารณะอันกเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทางป่วนส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรม ประสงค์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียดได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสรศิฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันกเกษม นั่นเป็นสาระอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้งั่งอ้วคลิกถูกเลี่ยวชายไม่ที่มาหาทางอ้วสสบายเลี่ยวไมกว่กลัวตายอีกโตไปเลี่ยวเท่าแก่บกกล่าวอย่างยินดีท่านพระครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไม่ทุรุนทุราย เช่นคนที่เป็นมะเร็งโดยทั่วๆไปจึงถามขึ้นว่าโยมเตี่ยไม่ปวดหรืออาตมาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาปวดร้องโอยๆกันแทบทั้งนั้นปวกคทีทางทําไมจะไม่ปวดแต่ที่อ้วกไม่แสดงอากางทุรงทุกรายเพราะทางช่วยอ้วกอาตมาช่วยโยมเตี่ยอย่างไรรื ท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจช่วยสิทังช่วยอ้วมากจริงจริอ้วดถึงอยากมาตายกะทงังเหยสิงลือช่วยอธิบายให้ทังฟังหน่อยอ้วดเหนื่อยเขายังปากไว้ทันไม่เช่นนั้นคำว่าชิกหายเลยก็จะต้องเล็ดลอดออกมาตั้งแต่พี่ชายสอนกรรมฐานให้เขาลดละพรุสวาจาลงไปได้โขทีเดียว คืออย่างนี้ครับหลวงพ่อเท่าแก่สิงห์อธิบายตอนที่เขาป่วยผมก็หมั่นไปเยี่ยมเขาตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากร้องโอดโอยจนถูกนางพยาบาลดุเอาบ่อยๆลูกหลานไปเยี่ยมก็ด่าจนพวกเขาไม่ไปเยี่ยมพอพวกเขาไม่ไปก็ด่าอีกผมก็เลยค่อยๆสอนกรรมฐานให้วาลเล็กวละน้อยเริ่มตั้งแต่ให้ฝึกกาหนดปวดน้อปวดน้อ เขาก็พยายามทำตามเพราะอาการปวดทุเลาลงผมก็ให้เขาหัดกำหนดพองยุบเรียกว่าเรียนกรรมฐานบนเตียงคนไข้เลยแหละครับเขาก็ทำตามแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆลูกหลานไม่เยี่ยมก็เลิกด่าเขาอยู่โรงพยาบาลสองเดือนหมอเจ้าของไข้ก็มากระซิบกับผมว่าควรจะกลับไปอยู่บ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่หายใส่เน่าแล้ว ผ่าตัดก็คงไม่ได้ผลผมก็ถามเขาว่าสมมุติว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีกสามเดือนเขาอยากจะทำอะไรเขาตอบทันทีว่าอยากไปอยู่วัดป่ามะม่วงผมก็เลยไปขอให้นายสุขเขาพามานี่แหละครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่อัตมาช่วยหรอกพี่ชายของโยมเตียดตังหักที่ช่วยท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมรับความดีความชอบ ทางนางแหละช่วยเพราะถาดทางไม่ซ้องกรรมมาถางให้เฮียเซงเฮียเซงเขากล่อมมาสองอ้วกไหมาหลายจริงหรือเปล่าเท่าแก่บกพยายามยัดเยียดความดีให้ท่านพระครูเอาละเอาละจริงก็จริงอาตมาขออนุโมทนากับโยมเตียด้วยยังไงยังไงโยมเตีย ก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วท่านเจ้าของกุฏิแสดงมุทิตาจิตต่อเขาเพื่อความแน่ใจว่าน้องชายเท่าแก่เสงจะต้องตายในอีกสมเดือนข้างหน้าจริงดังที่แพทย์บอกหรือไม่ท่านจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้พบว่าบุรุษผู้นี้มีทุนเดิมอยู่ 60% เปอร์เซ็นแล้วเหลืออีก 40% เปอร์เซน์ท่านจะจัดการให้เท่าแก่เสง ช่วย 10% ด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนอีก 30% ท่านจะเข้าผลสมาบัติสามวันสามคืนช่วยดีเหมือนกันเราจะได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแกสมัยที่เราเป็นเด็กเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดในใจรู้สึกยินดีที่ได้ชดใช้หนี้ ที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตโยมเตียอาตมมาถามจริงๆเถอะว่ากลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวอ้วไม่กลัวตายแต่ก็ไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งลำไส้ตอบแล้วถ้าสมมุติว่าโยมเตียจะมีอายุยืนต่อไปอีกห้าปีโยมเตียจะทำอะไร อวดจะปฏิบัติกรรมทั้งเมืองเฮียเสงเขาจะปฏิบัติทุกวงังแล้วสมมุตินะสมมุติอีกว่ามีเทวดาจะมาต่ออายุให้เตียอยู่ไปได้อีกห้าปีเตี๋ยจะเอาไหมเทวลานาไหนอีจะมาต่อให้อวดหลาทางแต่ถ้ามีนะอวดจะให้เงิงอีห้ามึง คีกชาเลียปีละมึงถ้าอีต่อไล่สองปีก็ให้อีสองมึงแม้เตรียมให้สินบนเที่ยวนายยมเตีย่ยแต่เอาเถอะอาตมาจะบอกเทวดาเขาว่าไม่ให้คิดเงินให้ต่อให้ฟรีอยากรู้ไหมว่าเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนหมายลูกนี่ไง เทว ด, ดาองค์นี้ไงท่านชี้เท่าแก่เสงงแล้วบอกวิธีการตามที่เห็นหนอรายงานเท่าแก่บกดีใจเซนักมีความรู้สึกเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปในบัดดนั้นเขาก้มลงกราบท่านเจ้าของกุติด้วยความซาบซึ้งใจตกลงโยมเท่าแก่อยู่ที่นี่เจ็ดวันนะอยู่เป็นเทวดา ช่วยโยมเตีย่ยเข้าหน่อยท่านบอกเท่าแก่เสยงยินดีครับหลวงพ่อแต่ผมคงจะต้องไปเอาเสื้อผ้าไม่ได้เอาชุดขาวมาเพราะคิดว่าส่งเท่าแก่บกเขาแล้วก็จะกลับพี่ชายคนป่วยว่าไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาประเดียวเบิกของวัดไปใช้จะต้องกลับไปให้เสียเวลาทำไม แล้วพวกยาสีฟันแปลงสีฟันประเดียวจะให้ลูกศิษย์เขาจัดการหามาให้ครับถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นผมจะฝากนายสุขไปบอกคุณกิมเงาะเขาจะได้ไม่ห่วงเขาหมายถึงคนขับแท็กซี่ที่มาด้วยนายสุขจึงได้โอกาสกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อจำผมได้ม็มครับที่เคยมากับเท่าแก่ครั้งที่แล้ว เดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วครับลงพ่อนี่สินก็จัดการใช้คืนเท่าแก่เขาหมดแล้วรถแท็กซี่ที่ใช้ขับหาเงินทุกวันนี้ก็เป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าเขาแล้วผมดีใจภูมิใจที่เป็นพลเมืองดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตถ้าเท่าแก่เอาผมเข้าคุกตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คงกลายเป็นไอ้มหาโจรไปแล้วคุกไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีนะครับลงพ่อเท่าที่ผมเคยเห็น คนดีๆไปติดคุกออกมากลายเป็นคนชั่วแล้วคนชั่วไปติดคุกออกมายิ่งชั่วนักเข้าไปอีกผมว่ากิจการคุกนี่เลิกได้แล้วนะครับสู้เอาคนชั่วมาเข้าวัดดีกว่ายังพอจะมีโอกาสกลับเนือ้อกลับตัวเป็นคนดีได้บ้างคนขับแท็กซี่พูดเสยยืดยาวสมกับที่มีโอกาสได้พูดท่านพระครูชอบอกชอบใจกับข้อเสนอแนะของเขาจึงชมว่า เออเข้าทีความคิดของโยมเข้าทีถ้าอาตมามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกจะลองเสนอท่านดูนะท่านพูดยิ้มยิ้มนี่ทานข้าวกันมาหรื อ, อยังคุยกันจนเพลินไปรับประทานอาหารกันเสียก่อนดีกว่านะเชิญที่โรงครัวเลยสมชายมานี่หน่อย ท่านเรียกหาสิทธวัดพาโยมเขาไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วพาไปหาที่พักให้พักห้องเดียวกันนะจะได้ช่วยดูแลคนป่วยให้โยมเท่าแก่ช่วยดูแลโยมเตีย่ยท่านจําต้องอธิบายให้จแจมแจ้งมิฉะนั้นสิทธวัดก็จะเข้าใจว่าตัวเขาจะต้องไปนอนกับบุรุษทั้งสองด้วย ขาดหรืออะไรก็บอกเด็กเขาแน่โยมท่านบอกสองพี่น้องขอบพระคุณครับหลวงพ่อเท่าแก่เสียงพูดพร้อมกับยกมือไหว้หนึ่งครั้งผมเลยถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อเลยนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวลาหากเขาอิ่มข้าวแล้วมาลาก็ต้องรอคิวอีกนานเจรื่นพรอนแล้วเมื่อไหร่ จะมาเข้ากรรมาฐานละ่ะท่านจะของกุฏิถามผมปฏิบัติทุกวันเลยครับเรียนมาจากเท่าแกเขาบอกผมจะเปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติแล้วนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวคนโน้นมาให้สอนเดี๋ยวคนนี้มาให้สอนคนชื่อเสงรายงานดีถ้าทำอย่างนั้นได้ถือเป็นมาหากุศลเลยทีเดียว ไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรรมฐานอีกแล้วสร้างโบสถ์เจ็ดหลังก็ยังได้บุญไม่เท่ากับการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วยคนทั้งสามลุกตามในสมชายออกไปแล้วบรรณาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกก็พากันทยอยเข้ามาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงไม่มีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายช่วงเพลง เวลาตีสองท่านพระครูจำต้องพักการเขียนหนังสือเพราะต้องพักผ่อนหลับนอนท่านรู้ว่าหากตรากตรำกับงานมากเกินไปสังขารร่างกายก็จะสุดโทรมเร็วกว่าปกติแม้เครื่องจักรก็ยังต้องหยุดพักนับประสาอะไรกับคนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตยังไม่ทันที่ท่านจะหลับเสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นว่า จะบอกยาแก้โรคมะเร็งลำไส้ให้เอาไหมมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ใช้ยานี้ได้ไปได้ตำรามาจากไหนท่านถามในใจผีบอกเสียงนั้นตอบผีที่ไหนที่ไหนก็อยารู้เลยแต่รับรองว่าหายบอกคนหายมาหลายรายแล้วแล้วรายนี้จะหายไหมที่มาเมื่อตอนเพลนนะ ท่านทดสอบเสียงประหลาดว่าจะรู้จริงหรือไม่หายพันเปเซน์ก็ท่านจะเข้าผลสมบัติช่วยเขาไม่ใช่หรือถ้ากินยาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ได้หรือรายอื่นได้แต่รายนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ท่านลั่นวาจาไปแล้วถ้าไม่ทำตามนั้นท่านก็เสียสัจจะนะสิงั้นก็บอกมา บอกแล้วต้องลุกขึ้นจดไว้นะไม่งั้นตอนเช้าลืมหมดไม่รู้ด้วยต้องจดสิอาตมาต้องจดไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วถ้าไม่เป็นอย่างที่บอกจะให้ปรับที่ใครละ่ะปรับตัวเองนั่นแหละเอาล่ะนะจะบอกละจําให้แม่นๆม่นนะยาแก้โรคมะเร็งที่ว่านี้ก็คือใช้กล้วยน้าว้าดิบมาหั่นตามขวางหั่นทั้งเปลือกนะจาได้หรือเปล่า กล้วยน้ำว้านะกล้วยอื่นไม่ได้แล้วก็ดิบๆสุกๆไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ต้องปอกเปลือกนำมาหั่นเป็นแว่นบางๆแล้วนำไปพึ่งแดดให้แห้งจ้างร้านขายยาบดให้ละเอียดเวลาจะกินให้ชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาดื่มวมือละลายครั้งยิ่งมากครั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเอาละลุกขึ้นไปจดได้แล้วจะไปแล้วร อ, อยู่คุยกันก่อนสิ เมื่อไม่มีเสียงตอบท่านจึงลุกขึ้นมาจดเสร็จแล้วจึงจำวัดวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัตทหารเช้าแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับนายสมชายและนายขุนทองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะงดรับแขกสามวันลุงพ่อจะไปไหนหรือครับนายสมชายถามจะเข้าพ้นส ม, มาบัติ ให้เธอย้ายไปอยู่กับพระบูเหี่ยชั่วคราวแล้วใส่กุญแจขังฉั้นไว้ข้างบนห้ามเยี่ยมห้ามประกันจนกว่าจะครบสามวันแล้วถ้ามีเขกมาหาละฮะหลานชายถามก็บอกไปตามนี้อย่าลืมนะห้ามใครขึ้นไปรบกวนเป็นอันขาดไม่ว่ากรณีใด แล้วเธอเกิดไฟไหม้ลหรอฮะหลงลุงล้านชายเป็นห่วงแต่กลับถูกนายสมชายตำหนิติเตียนนั่นปากหรือที่พูดหนะ่ะปากหรือถ้าไม่ใช่ปากแล้วจะเอาอะไรพูดละ่ะพี่นี่ถามแปลกหรือว่าพี่เอาตูดพูดได้นายขุนทองย้อนนี่พ่อทีพ่อทีอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาค่ะท่านพระครูปราม ก็คือมาว่าหนูก่อนนี่ฮ้อหลานชายยังไม่ยอมหยุดก็ปากเองมันดีนักนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีฟังได้ซึ่งเมื่อไหร่หนายสมชัยก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเอาละเอาละ่ะพอกันทั้งคู่นั่นแหละขุนทองเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกถ้าไฟมันจะไหม้ก็ให้มันไหม้เองขนขอ ง, ของของเองออกไปก็แล้วกัน แล้วก็ไม่ใช่มัวแต่ขนของจนลืมขนตัวเองออกไปละ่ะท่านบอกหลานชายแต่หนูห่วงลุงลุงนี่ฮอชายหนุ่มว่าเออนะไม่ต้องห่วงข้าหรอกรับรองข้าไม่ถูกไฟคลอกตายหรอกนะดวงข้าจะไม่ต้องตายด้วยไฟอ๋อสมชายเธอจัดการปรุงยาให้โยมน้องชายเท่าแก่ด้วยนะ แล้วท่านจึงบอกยาผีบอกแก่สิทธิวัดเอาละเดี๋ยวไปจัดการตามที่สั่งก็แล้วกันสมชายเธอเป็นคนเก็บลูกกุญแจไว้เก็บให้ดีนะใครขอไม่ต้องให้บอกว่าฉันสั่งท่านไว้ใจในสมชายมากกว่าเพราะหลานชายนั้นหากได้สินบนก็ใจอ่อนใจเปลี้ยตามนิสัยของคนที่งกมาตั้งแต่ก่อนเกิด สั่งการเสร็จท่านก็ลงมือตอบจดหมายคิดว่าตอบไปสักสองสามฉบับก่อนลงรับแขกก็ยังดีเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่เคยหายใจทิ้ง